จักรยานแบบประเภทเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรเลยนะที่ได้ยินมาก็คือว่าตัวเกงเนี่ยนะก็คือเกาหลีแานะ่ไทยนี่ก็อยากจะได้เหรียญทองก็เลยใช้จะเรียกว่าอะไรอุบายก็ได้นะให้มีคนหนึ่งอะ ไปประกบกับตัวเก่งเอาไว้โดยค้าว่าเป็นตัวล่อให้ให้ตัวเก่งนั้นตายใจนะเสร็จแล้วพอใกล้เส้นชัยนะก็มีนักกีฬาไทยคนหนึ่งเขาแข่งกับหลายคนนะแต่ละชาติกระสุกมาหลายคนพอใกล้เส้นตายใกล้เส้นชัยก็ให้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 อ, อดได้เหรียญทองนะแต่ว่าก็เป็นที่กล่าวขานกันนะว่าอันนี้เนี่ยเป็นคนมีน้ำใจประมาณสักยี่สปีที่แล้วก็โอลิมปิกเหมือนกันนะแข่งเรือเรือใบแคนาดานี่ก็ได้เป็นตัวเกณฑจะได้ช้ยชนะแล้วบอกกว่าไ่นเลือยู่ดีๆไปเห็นเพื่อนชาวสิงคโปร์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 เมื่อสักแปดปีก่อนก็โอลิมปิกเหมือนกันนะโอลิมปิกฤดูหนาวแคนาดานี่เป็นตัวเก่งนะแต่ปรากฏว่าแข่งส ก, กีนะแข่งส ก, กีแต่ว่าบาังเอิญทําไม้คําสกีหักทําไม้คําสกีหักก็ไปไม่ได้แล้วละ่ะก็ปรากฏว่ามีนักกีฬาชาวนอร์เวย์เนี่ยเป็นโค้ชนะยื่นไม้คําสกีให้ก็ทําให้เขาเนี่ย ทำให้แคนาดาทำให้ไ อ, อ้ชาวนอร์เวย์เนี่ยที่ทำไม้ค้ำสกีหักเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้นอร์เวย์ก็เลยได้ชัยชนะไปนะก็มีคนไปถามเขาว่าเนี่ยทำไมไปเอาไม้ค้ำสกีไปให้ให้คู่แข่งเขาก็บอกว่าเนี่ยได้ชัยชนะแต่ว่าไม่ช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเนี่ยมันจะเป็นชัยชนะ ได้อย่างไรนะมันจะเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจได้อย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่หายได้ยากนะคนที่ยอมเสียสละให้กับชาติอื่นโดยการไปช่วยเขาในยามที่เขาเดือดร้อนนะถึงแม้ว่าการทำชนะทําทำให้ตัวเองเนี่ยแพ้ไม่ได้เหรียญทองนะแต่ว่าเขาก็ช่วยอันนี้เป็นสติปีตนักกีฬาที่ต้องเรียกว่าเป็นคุณธรรมเลยนะ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 ก็วิ Bien ่งเข้าไปทํา <swimming> ร้ายผู Take ้ต่อสู้สลบเหมือกไปเลยก็ม so ีนะเพื่อ so ว่าจะได้ไ so ม่ให้ลูกเข้าประตูของตัวเองอัน so นี much. ้ก็มีนะทีมเยอรมันนะทีมอีกงหนึ่งประตูทีมเยอรมันนี่สัดกองหน้าชาวฝรั่งเศสจนสลบเหมือไปเลยแล้วก็ไม่ขอโทษด้วยนะหามไปรงมอเตอร์แล้วยังไม่ตื่นเลยดีที่ไม่ตาย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 กำลังจะลอยคอในทะเลก็ช่วยแล้วไอ้เรื่องแคนาดาเรื่องสิงคโปร์นี่มันเป็นสมมุตินะไอ้ความเป็นมนุษย์นี่มันอยู่เหนือชาตินะก็ช่วยเขาอันนี้ก็เป็นน้ําใจนะอ่านักปฏิบัติธรรมนี่ก็คงจะรู้ดีนะว่าไอ้สมมุตินี่มันมีความสําคัญแค่ไหนคนมันจะสมมุติมากตจดสมมุติว่าเป็นไทยเป็นพมา่าเป็นลาวเป็นเขมรเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไปเห็นพมา่าเดือดร้อนก็ไม่ช่วยนะ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 บางทีเราก็จำไม่ได้ว่าใครชนะนะได้เหรียญทองแต่เราจำได้ว่าใครที่เสียสละนะคนที่เอ่ยชื่อมา น, นี้เาก็เป็นที่จารึกไว้ในปติสารนะว่าเป็นผู้ที่มีสติริท์เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากอะ่ะเราก็เตรียมรับพร